มาเรียนกรรมฐานดีแล้วธรรมะของพระเจ้านะละเอียดประณีตไม่เรียนไม่รู้เรื่องแล้วขนาดเรียนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยยากนะมันยากยากในแง่ที่ว่ากว่าจะเข้าใจวิธีปฏิบัติได้กว่าจะเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้ยากมากเลยคนคนหนึ่งแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว รู้จักศีลสมาธิปัญญาไม่ยากละขึ้นสู่เส้นทางได้ก็มีหน้าที่ภาวนาไปเรื่อยที่เหลือแล้วจิตมันพัฒนาไปเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของเขาเองแต่อยู่ๆจิตบรรลุเองก็ไม่ได้เราต้องทำเหตุอบรมจิตให้การศึกษากับจิตถ้าไม่มีการศึกษาจิตก็ไม่ฉลาด จิตฉลาดจิตก็รู้จักปล่อยจากวางังจิตจะรู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำยังไงจะพ้นจากทุกข์ถ้าพ้นทุกข์แล้วเป็นยังไงมาเรียนในเบื้องต้นแลมาเรียนให้ได้สัมมาทิฏฐิภาคปริยัติก่อนแล้วก็มาลงมือปฏิบัติเราต้องไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านถ้าเรายังหลงไปอยู่ในความสุดโต่สองด้านไม่ขึ้นทางสายกลาง ทำไปกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่ได้ผลเพราะล่มลุกลุ ก, กลานไปได้วยส่วนใหญ่ที่เขาปฏิบัติกันนะมันก็ล้มลุกลุ ก, กลานจริงๆอย่างพวกเราเองบางคนนะภาวนาตั้งยี่สบสามสิปีมาแล้วเรียนมาเยอะแยะนะเรียนปริยัติก็มากนะควรเรียนมามากแต่ว่าจิตมันเดินไม่เข้าทางสายกลางสัทีเข้าไม่เป็นให้เราต้องมาเรียน ให้จิตเดินเข้าไปสู่ทางสายกลางให้ได้ถ้าจิตเดินเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็เดินเรื่อยๆไปคล้ยๆขึ้นถนนได้แล้วเราจะไปสมมตเราจะไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยขึ้นถนนได้แล้วเดินตรงทางแล้วไปเรื่อยๆตามถนนไปเรืไม่ออกนอกลู่นอกทางสียกลางทางวันหนึ่งก็ถึงจะช้าหรือจะเร็วก็แล้วแต่ว่าขยันหรือขี้เกียจเดิน นานๆเดินสักเก้าหนึ่งก็ถึงช้าหน่อยเดินไม่หยุดเลยนะเดินไปไม่พักนานพักพอสมควรพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ภาวนาต่อไปเจริญปัญญาต่อไปอย่างนี้ไม่นานมาเรียนให้ได้ทางสายกลางนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมนบทแรกเลยคือธรรมาจาักรกับปวตตสุตก็สอนเรื่องทางสายกลางนั่นแหละสิ่งที่ทาให้เรา ตกหล่นไม่เข้าทางสายกลางมีสองอย่างคือความสุดตรงสองด้านทําความเข้าใจกับความสุดโต่งสองด้านถ้าเข้าใจแล้วมันก็ยัไม่หลงไปสู่ความสุดตรงสองด้านแม่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแปลกนะมุ่งมาที่ความรู้ความเข้าใจเป็นหลักถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกนะมันก็ไปถูกไม่รู้ถูกไม่เข้าใจถูกก็หลงทางไปไปไม่รอดความสุดตรงสองด้านที่ท่านห้ามอันแรก ชื่อการมาสู่ขาริการิโยค ก, การที่เราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งบางคนคิดว่าทําตัวตามสบายอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนทําอะไรก็ได้ไม่ยึดไม่ถืออะไรสักอย่างคิดอย่างนี้ยังมีเลยนะตามใจกิเลสตลอดเวลาเลยแเราบอกว่าไม่ยึดถือเถ้าสู้กิเลสถือว่ายึดถือเนี่พวกตะแบงหลงโลกไปเลยนย่างนี้มีนะไม่ใช่ไม่มี สมัยพุทธการก็มีพวกทฤษฎีที่ว่าเสฟให้เต็มที่แล้วจิตมันจะได้เบื่ออยู่กับของสวยของงามให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งก็เบื่อของสวยของงามอยู่กับของประณีตดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นานๆแล้ววันหนึ่งก็เบื่อไปเองไม่มีเบื่อพระพุทธเจ้าเคยสอนว่นานตทีตันหาสมานาทีห่วงน้ํามหาสมุทรอะไรเนี้ย ใหญ่เสมอกับตัณหาเนี่ยไม่มีงันการที่เราจะตามใจกิเลสเรื่อยไปนะหวังวันวันหนึ่งจะเต็มจะอิ่มเนไม่เต็มไม่อิ่มเลยไม่มีทางเลยพอหมดอยากอย่างนี้มันก็ไปอยากอย่างอื่นอีกแล้วความอยากมันก็หมุนเวียนอยู่ในหกช่องทางเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากกระทบสัมผัสทางกายเดี๋ยวอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจมีให้หกช่องนะมีให้เลือก เบื่อดูแล้วก็ไปฟังเบื่อฟังแล้วไปกินอย่างเงี้ยนะเหมือเราไปดูหนังประกาว่าไปดูให้มันสนองกิเลสไปนะแล้วตัญหามันจะได้หายพอสนองแล้วความอยากมันต้องดับนละมันดับอันนึ่งนะมันไปเกิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาแทนอย่างรวดเร็วเลยอยากดูหนังพอไปดูหนังนะหายอยากแนละ้วดูหนังเสร็จแล้วก็หิวะอยากกินต่อไปเที่ยวไปกินกินเสร็จแล้วยังไม่ค่ำเลยยังไม่ดึกกลับบ้านไม่ถูก นะต้องไปร้องคาราโอเกะต่ออีกนะมันยังมีไม่คาราโอเกะนีม่มีอีกเหรอไม่เลิก อ, อีกเหรอหลายปีแล้วเนื้อใจนะพอหมดอยากอันนี้แนละ้วมันไปอยากอีกอันหนึ่งสนองความอยากนะี่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่อิ่มนะนี่เรียกว่าการสุขาริการโยกนะหากความสุขไปทางตาหาความสุขไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวางไว้าหาความสุขไปเรื่อย แล้วันหนึ่งมันเบื่อไปเองพ้นทุกไปเองมันไม่มีวันเบื่อหมดอันนี้มันต่ออันนู้นเลยความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดความสุดตรงอีกอันหนึง่งชื่ออัตตะกิลมะฐานุโยกการทําตัวเองให้ลําบากมีความอยากเกิดขึ้นไม่ตามใจมันฝืนมันตลอดเลยปฏิเสธมันตลอดเลยอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากนั่งสบายก็นั่งบนตะปูอยากหายใจสบายก็ลกลั้นลมหายใจ แกล้งมันทุกอย่างแกล้งกายแกล้งใจไปเรื่อยบังคับมันตลอดเลยจิตจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็บังคับไม่ให้คิดนึกปรุงแต่งนี่ขมตลอดบังคับตลอดที่ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมนั่งทีหนึ่งหลายหลาชั่วโมงเดินทีหลายๆชั่วโม ง, เ, โมงเขี้ยวมันทรมานมันทรมานจนจิตมันทนไม่ไหวนะมันหลบมันดับความรับรู้ภายนอกลงไปก็คิดว่านี่แหละคือนิพพานไม่มีจิต ถ้ามีรูปนามอยู่ยไม่ใช่นิพพานลืมไปว่านิพพานเป็นธรรมรมเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าไม่มีจิตแล้วใครจะไปรู้นิพพานเนะื้อตอทรมานตัวเองมากๆนะทรมานกามากๆากลำบากมากมากเนะี่ยจิตมันทนไม่ไหวมันหลบมันดับจิตดับนะเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งแข็งอยูนะ่นี่ก็ทรมานนะมันทรมานหนักหนะักมันไม่ใช่ทาง การที่ทำตัวเองให้ลำบากนะคิดว่าทำให้ลำบากแล้วมันจะละตันหามันไม่ละก็ไอการที่พยายามทำตัวให้ลำบากนะั่นแหละทำเพราะตันหาอยากได้มากได้ผลอยากดนะีทำเพราะความอยากนะคิดว่าจะชนะความอยากอีกก็ไม่ชนะเลยงั้นการตามใจกิเลสก็ไม่ทำให้ชนะตันหาการทรมานกายทรมานใจจริงๆทำไปด้วยตันหาเพราะงั้นไม่มีทางชนะตันหาเลย นักปราชญ์สมัยก่อนก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็ฉลาดเขารู้ว่าตัณหาหเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บางคนรู้นะบางลัทธิก็รู้บางลัทธิไม่รู้บางลัทธิคิดว่าสิ่งต่างๆเกิดโดยไม่มีเหตุเลยทุกข์ก็ทุกข์เองสุขก็สุขเองนะอะไรๆก็เป็นเองไม่มีเหตุแต่บางพวกที่ฉลาดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมารู้ว่าตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขาก็หาวิธีทําลายตัณหาพวกหนึ่งทํำลายตัณหาด้วยการตามใจมัน สนองมันไปไเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะได้เบื่อมันไม่เบื่อพวกหนึ่งด้วยการฝืนมันไปตลอดเลยทรมานมันตลอดเลยทรมานกายทรมานใจตัวเองตลอดเวลาหวังว่าทรมานได้ที่แล้วจะพ้นจากตัณหา <c oughs> ก็ไม่พ้นเพราะที่ไปทรมานอยู่ทําไปด้วยตัณหาแน่นแหละเะเะนั้นทางสายกลางเนี่ยต้องไปสุดตรงไปสองฝั่งข้างตามใจกิเลสก็ไม่ได้ข้างกดขม่มกิเลสก็ไม่ได้บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจทรมานมัน ไม่ได้เดทางสายกลางเนี่ยทางเดินของศีลของสมาธิของปัญญาบทเรียนที่จะทําให้ได้ศีลนั้นชื่อว่าศีลสิกขาบทเรียนที่ทําให้เราได้สมาธิชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนที่ทําให้ได้ปัญญาชื่อปัญญาสิกขาทางสายกลางก็ เ, เดินอยู่อย่างนี้นะเรื่องของเรียนเรื่องศีลแล้วเราได้ศีลเรียนเรื่องเรื่องจิตแล้วเราได้สมาธิ เรียนวิธีเจริญปัญญาแล้วเราได้ปัญญามาตัวที่จะทำให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆคือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือความรู้เห็นที่ถูกต้องนะนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นเองคือตัวสมาทิทินั่นเองงันะ้นถ้าถามว่าพวกเราชาวพุทธนะเราทำอะไรเราต้องการอะไรนะเราฝึกฝนตัวเองนะพัฒนาให้เกิดสมาธิฏิขึ้นมา ก็มีสมาธิจิตแก่รอบในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามถ้าจิตปล่อยรูปปล่อยนามนะปล่อยวางรูปนามรูปนามมีอยู่ก็ไม่ยึดอยู่รูปนามแตกสลายไปก็ไม่เป็นไรอย่างรูปนามมีอยู่แต่ไม่ยึดอยู่คือพระอรหันต์ที่ยังดำรงขันอยู่ท่านเหล่านี้ไม่ทุกข์ทางใจเลยแต่ทุกข์ให้ในขันขันยังไงก็ทุกขนะ์วันที่ขันแตกขันดับนะ คือพระละหันที่ท่านปรินิพานขันแตกขันดับนีก็ไม่มีความทุกข์ในขันเหลืออยู่ความทุกข์ในจิตนั้นหมดไปตั้งแต่วันที่บรรลุพระละหันแล้วความทุกข์ทางกายทางธาตุทางขันนี่หมดไปในวันที่ขันแตกขันดับเพราะงั้นเวลาพระละหันจะปรินิพานเนี่ยท่านไม่เศร้าโศกเสียใจท่านเห็นตัวทุกข์มันจะตายขันมันจะแตกขันีจะดับตัวขันมีแต่ตัวทุกข์เนี่ยท่านฉลาด ท, mejor, ít, ท่านมีสัมมาทิฏฐิแก่รอบนะรู้เลยว่าอะไรเป็นตัวทุกข์สัมมา ít, ทิฏฐิก็รู้อริยสัจนั่นเองท่านรู้แจ้งแล้วว่าตัวขันนั่นแหตัวทุกข์นะท่านรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่ปฏิเสธมันหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เท่าทันมันรู้ว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้ารู้เท่าทันมันนะรู้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละมันบังคับไม่ได้ใจก็หมดความดิน้นรนไม่ไปยึดถือมันใจหมดความยึดถือ หมดความดิ้นรนตันหาก็ไม่เกิดถ้าจิตปราศจากตันหาจิตก็สัมผัสสภาวะที่พ้นจากตันหาคือพระนิพพานถ้าใครก็ถามเราว่านิพานคืออะไรตอบพระเปดังๆเลยนะิพานคือสันติสันติคือความสงบสงบจากอะไรสงบจากตันหานั่นแหละงั้นสภาวะที่สิ้นตันหาหรือเรียกว่าวิราคะก็คือตัวนิพพานนั่นเองนี่ทําไมตันหาถึงสิ้นได้ ก็มีปัญญาเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์นะสมุ ท, ทัยคือตัณหาจะถูกทําลายอัตโนมัตินี่วันนี้หลวงพ่อให้ภาพกว้างๆก่อนนะถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหรนะตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกก า, ารละตัณหานั้นจะละครั้งเดียวแล้วเลิกกันเลยถาลาด้วยอรหัตมรักนะละครั้งสุดท้ายนะละละทีเดียวเลิกไม่มีสองที แต่ตัณหาที่พวกเรามีแล้วเราก็ละกันแต่ละวนันแต่ละเวลานี่ไม่ใช่ละด้วยอรหัตามัติมันละด้วยสติบ้างด้วยสมาธิบ้างด้วยปัญญาเบื้องต้นบ้างละแล้วเดี๋ยวเกิดอีกเพราะยังไม่เห็นแจ้งว่าขันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นแจ้งว่าขันเป็นตัวทุกข์แล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกถ้าตัณหาไม่เกิดก็แจ้งพระนิพพานในขณะที่ตัณหาไม่มีนั่นแหละจะรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็ละสมุทยัย เมื่อนั้นราสมุทัยเมื่อไหรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งพระนิพพา น, นเมื่อนั้นแจ้งพระนิพพานเมื่อไหรเมื่อนั้นแหละขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคเงินรู้ทุกข์ราสมไทยัยแจ้งนิโรธจเจริญมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเกิดจากการที่เรารู้ทุกข์แยมแจ้งนั่นเองจะราสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นพร้อมๆกันในขณนะนั้นเลยจิตทั้งสของอริยสัตว์ทํนะาเสร็จในขณะจิตเดียวกันนั่นเอง เนื้อทำได้เพราะว่ารู้ทุกแจมแจ้งรู้ทุกแจ่มแจ้งนั่นแหละมีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทัยได้ละสมุทัยก็แจ้งนิโรธได้แจ้งนิโรธได้ก็เกิดอริยมรรคเจริญขึ้นแล้ว น, นีนก็ทำทำกิจทั้งหมดสําเร็จแล้วรู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรครู้ตัวนี้นรู้กิจ ต่อทุกต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรักนะทุกให้รู้ไม่ใช่ให้ละสมุทัยให้ละนะไม่ใช่ให้รู้เอานิโรธทําให้แจ้งนะไม่ใช่ทําให้เกิดนิพพานไม่มีใครทํานิพพานให้เกิดขึ้นนิพพานมีอยู่แล้วเราแค่ทําให้แจ้งให้เข้าไปเห็นนะอริยมรรคต้องทําให้เจริญไม่ใช่อยู่กับที่งานทั้งสี่อย่างไม่เหมือนกัน ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคแล้วรู้หน้าที่ต่อทุกข์ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคถ้ารู้แจ่มแจ้งนะมันก็ทํากิจของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเสร็จในขณะเดียวกันกิจก็ทําเสร็จแล้วรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้กิจต่อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วทำกิจเสร็จแล้วสี่อย่าง เคยเรียนไหมอันนี้เคยเรียนหมที่มีวนรอบสามมีอาการส2นะองทุกสมุทยนิโรธมรคมีสี่ใช่ไหมแต่ลันแต่ละอันแต่ล่า น, า น, า น, านนะเรียนสามอย่างเรียนว่าตัวมันคืออะไรนะเรียนสัจจยานกิจยานกิจยานกัตยานงั้น4ี่คูณสมนะมีอาการทั้งหมด12 อ, อย่าง เนสิ่งเหล่านี้เราจะเรียนนะถ้าเรียนได้อย่างนี้นะ เ, รนเราได้สมาทิฏฐีมาได้สัมมาทิฏฐีอย่างนี้มาล้างกิเลสเด็ดขาดล้างตัณหาเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราพ้นทุกเด็ดขาดแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ต้องเรียนภาคทฤษฎีก่อนมีไหมคนที่ศัตรู้โดยไม่เรียนทฤษฎีมีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้ามีบุคคลสองจำพวกเท่านั้นนะ ที่ท่านไม่ต้องเรียนนอกนั้นต้องเรียนพวกเราหน้าตาแปลว่าอย่างนี้คงไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะสักคนเนาะต้องเรียนนะไม่ใช่พระปัจเจกด้วยหน้าตาเป็นแต่ปัจเจกบุคคลไม่ใช่ปัจเจกับพุท ธ, ธนะต้องเรียนต้องฟังให้รู้วิธีปฏิบัตนะิวิธีปฏิบัตินั้นก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจนั่นเองนะเราจะพัฒนาสมาธิฏฐิขึ้นมาปฏิบัตินั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สมาธิฏฐินะ ถาใครเขาถามเราว่าอะไรคือพระพุทธศาสนานตอบเสียงดังๆเลยเสียงดังฟังชัดเลยสำมาติทิฏฐินั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนานะสำมาติทิฏฐินั่นแหละคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะเราเรียนให้ได้สำมาติทิฏฐินะจิตนจะปล่อยวางเองจะหลุดพ้นเองเข้าถึงมรรคนิพพานเกิดความรู้แจ้งในมรรคนิพพาน ราต้องฝึกออกนะเบื้องต้นเรเรียนเวลาดำเนินจิตอย่าให้สุดโต้ไปสองฝั่งสํารวจตัวเองก่อนเราสุดโต้ไปสองฝั่งหรือเปล่าขณะ น, นี้แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเราตามใจกิเลสหรือเปล่าหรือเราทรมานตัวเองนะเราตามใจตัณหาหรือเราพยายามทรมานมันขัดขวางตลอดนะสารวจตัวเองดู ถ้าไม่สุดตรงสองข้างถ้าไม่เดินผิดนะก็เดินถูกเองถ้าไม่เดินตกถนนข้างซ้ายไม่เดินตกถนนข้างขวาก็อยู่บนถนนเมื่ออยู่บนถนนเนี่กอยู่บนทางสายกลางแล้วไม่เดินต่ออยู่เฉยๆรู้แล้วว่าฝั่งซ้ายไม่เอาฝั่งขวาไม่เอาแต่ไม่เจริญปัญญาต่อไม่พัฒนาศีลสมาธิปัญญาต่อมันก็ไม่นิพานนะรู้ทางอยู่เฉยๆแต่ไม่ยอมเดินไม่ใช้ไม่ได้รู้ทางเราต้องเดินให้ได้ นราจะมาเรียนเรื่องทางนะเ ร, นเรื่องทางถ้าเรารู้ทางแล้วเราก็ต้องขยันเดินเอาขั้นแรกเลยอย่าปล่อยตัวเองตามใจกิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นก่จิตกับใจคอยรู้ทันไวนะ้หัดคอยรู้ทันกิเลสไม่ได้เกิดที่อื่นตัณหาไม่ได้เกิดที่อื่นเกิดที่จิตเหล่านี้แหละมีไหมตัณหาเกิดที่มือที่เท้ามีไหมรูปปตัตหาเกิดที่ไหนรูปปตัตนหาอยากเห็นรูป เกิดที่ไหนเกิดที่ตาไหมเกิดที่จิตตัณหาอะไรไปเกิดที่ตาสัตธถ้าตัณหาอยากได้ยินเสียงเกิดที่หูตัณหาเกิดที่จิตนะตัณหาเป็นตัวเจตสิกเกิดร่วมกับจิตไม่ไปเกิดร่วมกับรูปหรอกเกิดร่วมกับจิตมาเรียนเรื่องจิตให้ดีมาเรียนเรื่องจิตเบื้องต้นมาเรียนเพื่อให้เดินทางสายกลางถูก เดินทางสายกลางผิดทัเพราะจิตมันเดินผิดค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหลงตามกิเลสไปหลงไปทางตาคอยรู้ทันหลงไปทางหูคอยรู้ทันหลงไปทางใจคอยรู้ทันเบื้องต้นหัดสามช่องนี้ก่อนทางจมูกทางลิ้นทางกายเอาไว้ก่อนเรื่องหมูหมูเอาทางตาทางหูทางใจสามอย่างนี้เกิดบ่อยพวกเราลองดูพวกที่หัดใหม่ๆมาใหม่ๆ ลองดูพระพุทธรูปนะดูพระพุทธรูปองค์นี้องนี้องนี้นะเกิดขึ้นด้วยยานทัศนะ์ยานเกิดจากนิมิตนิมิตของพระเทร่าองหนึ่งว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยหน้าตาแบบนี้แหละลองดูซิเจ้าชายสิทธัตถะหน้าตาเป็นยังไงนะให้สังเกตที่พระพุทธรูปองเล็กนี่อย่าดูองอื่นนะอง์อื่นไม่เหมือน นี่สมเด็จยานท่านสร้างขึ้นมาสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูพระพุทธรูปเนี่ยใจเราหนีไปอยู่ที่พระพุทธรูปรู้สึกไหมใจเราไหลออกนอกนะเนี่ยจิตเราหลงไปดูล้วจิตมันมีความอยากอยากดูเพราะความอยากดูเกิดขึ้นนะจิตก็ทยานไปทางตางั้นบางทีเขาเรียกตัณหาว่าความทยานอยากไม่ใช่อยากเฉยๆนะอยากแล้วทยานด้วยเวลาอยากดูนะจิตทุบวิ่งออกไปทางตาวิ่งไปดูให้เรารู้ทัน เวลาอยากฟังจิตก็วิ่งไปฟังเวลาอยากรู้เรื่องจิตก็วิ่งไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ดูอย่างเดียวไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ดูไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับกันตลอดเวลาเลยเนี่ยจิตมันออกนอกไปจิตมันไหลไปทางตาไหลไปทางหูถ้ามันไหลไปเพลิดเพลินนะอย่างเราไปเห็นอะไรสวยๆงามๆเราไปสนใจดูมันขณะที่เราสนใจดูของสวยของงามจิตจะไปอยู่ที่ของสวยของงาม เราจะลืมกายลืมใจใช่ไหมมันสุดโต่ไปข้างตามใจกิเลสอยากดูนะวิ่งไปดูพอวิ่งไปดูแล้วอะไรเกิดขึ้นมีกายก็ลืมมันไปมีใจก็ลืมมันไปทางสายกลางนั้นคือการรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นแต่เมื่อไรเราหลงออกนอกไปหลงไปดูหลงไปฟังอะไรเนี่ยมัว uh. แต่รู้เรื่องที่ดูมัว uh. แต่รู้เรื่องที่ฟังหรือหลงไปคิดมัว uh. แต่รู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นมีกายเราก็ลืมมันมีใจเราก็ลืมมัน งั้นความสุดต่งตัวแรกนะมันทําให้เราลืมกายลืมใจจะทําให้เราลืมกายลืมใจตรงที่หลงไปตามกิเลสกรรมสิ่งที่เรียกว่าก ร, รมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปถะทั้งหลายนั่นเองหรือบางทีก็มีกรรมมาทำคือการที่เราคิดคำนึงถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงปถะเรียกว่าการรมมาทำเป็นเรื่องทางใจกรรมนั่นแหละเป็นตัวยั่วทําให้ใจเราไหลออกนอกไหลไปดู ทันทีที fate, mind, whales, mm üt, yeah. ่ใจเราไหลไปดูเรามีกายเราก็ล hmm. ืมมันมีใจเราก็ลืมมันทันทีที่ใจมันไหลไปฟังจิตมันหนีไปฟังมีกายเราก็ลืมกายมีใจเราก็ลืมใจทันทีที่จิตหนีไปคิดไปรู้เรื่องราวที่คิดมีกายเราก็ลืมกายมีใจเราก็ลืมใจตกลงแล้วจิตมันหนีไปทางทวารต่างๆเนี่ยถ้ามันหนีไปเมื่อไหร่นะเราจะลืมกายลืมใจเมื่อนั้น เมื่อไรลืมกายลืมใจเรียกว่าตกจากทางสายกลางแล้วทางสายกลางเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะงั้นถ้าตามใจกิเลสนะอยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดลืมตัวเองอยากสงบวิ่งไปเพ่งเอาไว้ลืมตัวเองอยากปฏิบัติธรรมนะกำหนดโน้นกําหนดนี้จิตใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากําหนดลืมตัวเองลืมกายลืมใจมีกายแล้วก็ลืมไปมีใจแล้วก็ลืมไป นี่แหละตัวร้ายเลยตัวหัวจบตัวร้ายที่สุดเลยศัตรูอันดับหนึ่งของนักปฏิบัติก็คือการที่เราลืมกายลืมใจของตัวเองทําไมลืมกายลืมใจของตัวเองเพราะจิตไหลไปในกลามไหลไปไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผลเถะเนื้อใจมันไหลไป เมื่อไรใจมันไหลไปมันหลงไปนะมีกายเราก็ลืมมีใจแล้วก็ลืมงั้นไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้แล้วตกจากทางสายกลางไปแนละ้วไม่รู้อะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรคเนี่อศนะัตรูบอหนึ่งนะสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเทวดาพรหมทั้งหลายที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมมีจีดอกนอกตลอดนะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาก็เป็นพรหมก็เป็นนะ จิจะไหลออกข้างนอกตลอดเวลาลืมกายลืมใจตลอดเวลามีกายก็ลืมมีใจก็ลืมเพลิดเพลินออกข้างนอกไปมันทําให้ปิดกัน้นไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะไม่มีวันเกิดสัมมาทิฏิเลยสัมมาทิฐิคือรู้ทุกข์ใช่ไหมบอกแล้วเมื่อกี้รู้ทุกข์ก็ทุกข์ก็กายกับใจเรานี่เองถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยไปนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะมีกายก็ลืมมีใจก็ลืม แล้ไม่มีวันรู้ทุกข์เลยเพราะไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้ขันนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งนะของคนที่จะไปนิพพานนะการสุคาริการิโยคกหลงตามอารมณ์ทางตาผูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงคิดนึกปรุงแต่งไปในเรื่องของตาของรูปของเสียงของกลิน่นของรสของปวดทพะทั้งหลายใจจะหลงนะแล้วก็ลืมตัวเองนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งนะ ให้พวกเราเคยรู้ทันบ่อยๆจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันรู้บ่อยๆทันทีที่รู้ว่าหลงนะความหลงจะดับอัตโนมัติมันหลงไปเพราะว่าอะไรมันมีโมหะครอบงำนะโมหะครอบงำแล้วก็เกิดโลภะแทรกเข้ามานะก็เลยหลงไปดูเวลาที่เราไปหลงไปดูเนี่ยจิตมีโลภะประกอบกับมีโมหะเกิดร่วมกันเสมอนะโลภะกับโมหะนี่เกิดด้วยกัน โลภะไม่เกิดเดียวๆต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอพอไปดูแล้วไม่ชอบใจขึ้นมาโทสะก็แทรกที่แรกมีความหลงนะแล้วก็อยากดูอยากดูแล้วไม่ได้อย่างใจก็เกิดโทสะโทสะก็เลยเป็นลูกของราคะอีกที้่งราคะก็เป็นลูกของโมหะอีกทีหนงะกิเลสมีหลายชั้นนะมีบรรพบุรุษของมันมีสายพันธ์สายตระกูลโมหะเนี่ยเป็นเป็นตัวพ่อตัวแม่ของมันเลยโมหะ ตัวร้ายที่สุดเลยหัวหน้าโมหะชื่ออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกอะไรเป็นทุกกายนี้ใจนี้เป็นทุกขันห้าเป็นทุกแม้เพราะงั้นอยากล้างมันนะอยากล้างอาวิชชาต้องรู้ทุกให้แจ้งนะถ้ารู้ทุกไม่เป็นไม่มีทางล้างอาวิชชาเลยนี่รู้ทุกไม่ได้ถ้าลืมกายลืมใจตัวทุกก็คือตัวกายตัวใจตัวท่าตัวขันอายตนะทั้งหลาย น, นั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานั่นเอง ถ้าเมื่อไหร่หลงไปในกามคือหาความเพลิดเพลินไปทางการดูการฟังการดมกลิน่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสทางกายเพลิดเพลินไปในความคิดความนึกความปรุงความแต่งทางใจก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจไม่สามารถรู้ถูกได้ไม่มีวันเห็นทุกเลยเพราะไม่มีกายมีใจให้ดูพวกเราคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันถ้ารู้ทันนะความหลงจะดับดับเองไม่ต้องดับมัน เพราะอะไรตรงที่รู้ทันเรียกว่าสติมันเกิดทันทีที่สติเกิดอกุศลดับอัตโนมัติเราไม่ดับอกุศลไม่มีใครดับอกุศลได้อกุศลนั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เพราะงั้นไม่ใช่ว่าเราหลงแล้วจะบังคับไม่ให้หลงหลายคนภาวนานะกลัว จ, จะหลงพยายามพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าหลงนะว้ยพุทโธพุทโธอย่าหลงนะว้ยเนอะหลงไปเรียบร้อยละ ตรงที่อยากไม่หลงนั้นมันหลงไปแล้วมันโลบแล้วเห็นไหมโลบได้เ พ, เพราะมีความอยากมีมีความหลงซ่อนอยู่ข้างหลังเมนะื่อไม่ใช่ไปบังคับมันนะคอยรู้ทันมันเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับนะนี่เป็นกฎของธรรมะนะกฎของธรรมะเรียกธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะกุศลกากุศลไม่เกิดร่วมกันงั้นหน้าที่เราก็คือคอยรู้ทัน จิตหลงไปแล้วรู้หลงไปดูก็รู้ทันหลงไปฟังก็รู้ทันหลงไปคิดก็รู้ทันนะความหลงมันจะดับตรงที่รู้ทันนะความหลงจะดับอัตโนมัติเลยจิตจะหลุดออกจากความสุดต่งในข้างหลงเกิดรู้ตัวขึ้นแวบเดียวแล้วจะกระโดดไปสู่ความสุดต่งในข้างบังคับโดยอัตโนมัติเลยใครที่ภาวนามาช่วงหนึ่งเห็นไหมพอหลงพอรู้ว่าหลงตรงที่รู้เนี่ยคือทางสายกลางอยู่แวบเดียวถัดจากนั้นจะบังคับตัวเองแล้วจะเพ่งและเฮ้ยอย่าหลงนะ จ้องไว้ไม่ให้หลงเลย บ, บังคับพุทโธพุทโธพุทโธห้ามหลงนะหายใจไปก็ห้ามหลงนะนี่แต่คําว่าห้ามห้ามห้ามนะข้างหนึ่งตามใจกิเลสข้างหนึ่งห้ามตลอดเลยนี่คือความสุดโต่งสองฝั่งเวลาที่เราภาวนาจริงๆเราจะเห็นสภาวะสมอย่างมันจะสลับกันอยู่ตลอดเลยอันแรกใจหลงไปพอใจหลงไปแล้วเราเกิดรู้ทันนี่คือสภาวะนี่สองคือรู้ตัวเนี้ยตัวทางสายกลางแนหะตัวรู้พอทันทีที่รู้เกิดนะจะกลัวหลงอีกก็จะเพ่งเอาไว้ เพ่งเนี่ยคือการบังคับตัวเองสุดโตรงไปข้างบังคับล่ะนะนะงั้นจิตเนี่ยจะเวียงตลอดเลยสุดโตรงไปข้างหลงพอรู้ทันก็เวียงมาสุดโตรงไปข้างบังคับทำไงดีอยากเลิกบังคับอยากเลิกบังคับเป็นกิเลสอีกลนะให้รู้ทันว่าอยากเลิกนะบังคับอยู่ให้รู้ว่าบังคับอยู่ให้รู้ว่าทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะอย่าไปแทรกแซงมันนะรู้มันอย่างที่มันเป็นเรื่อยไปเลย จิตหลงไปสู่ความสุดโต่งในข้างหลงก็รู้ทันจิตสุดโตงไปข้างบังคับตัวเองก็รู้ทันนะอันนี้ไม่ยากพวกที่เข้าคอสในวันนี้ลองให้พวกพี่เลี้ยงเขาผ่าดนะูจะเห็นเลยเวลาเผลอเลอพอรู้ว่าเผลอจะต่อด้วยเพ่งเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะมีสภาวะสามัญเผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะมีงเดียวเผลอแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอ <laughs> เนี่ยพวกที่ไม่ปฏิบัตินะมีอันเดียวเผลอแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอพวกปฏิบัติมีสามัญเผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งพวกปฏิบัติเป็นนะมีแต่รู้ก็รู้ก็รู้ก็รู้นะออไม่มีเผลอนะกลับข้างกันหมดเลยเพราะงั้นตอนนี้เราไปเรียนรู้นะความจริงนะจิตเผลอไปแล้วก็รู้จิตเพ่งไปแล้วก็รู้ไปหัดตัวนี้ไว้วันนี้นะแล้วเราจะเข้าทางสายกลางได้คือภาวะแห่งการรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้น ไปเรียนรู้จิตเผลอไปแล้วก็รู้พอ ร, รู้ปุ๊บมันจะเพ่งอันตโนมัติเลยเราจะรู้เลยใจจะแข็งแขงแน่นแน่นข้นก่อนจะแข็งก่อนจะแน่นก่อนจะเพ่งเนี่ยโลภเกิดก่อนนะหรือไม่ก็กลัวหลงนะกลัวจะหลงอยากจะไม่หลงนี่ตัณหาเกิดแล้วก็เลยไปเพ่งไหมนละ้วเราไปเรียนนะไปเรียนให้ได้ถ้าจิตไม่สุดตรงจิตก็เข้าทางสายกลางถ้าจิตเข้าทางสายกลางแล้วก็มาเรียนต่อนะ วิธีที่จะทําให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาของเราเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีกนะต้องมาสุดตรงก่อนถ้าสุดตรงอยู่ศีลสมาธิปัญญาไม่งอกงามหรอกถ้าเข้าทางสายกลางแล้วนะอย่าไม่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาอีกนะไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยแล้วก็เฉยเฉยเฉยอยู่งั้นเองอย่างนั้นไม่พอกูศนละไม่เจริญขึ้นอเชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ไหครับนิมนต์